หญิงสาวที่ชั้นห้า ส, สัมผัสสยองเรื่องที่พอยจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์โดนผีหลอกตลอดเวลาที่อยู่ห้องนั้นเป็นเวลาหกเดือนเต็มต้องขอออกตัวกันเลยว่า พอยไม่ใช่คนมีเซนต์อะไรเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆแต่ไม่เคยเห็นอะไรที่อธิบายไม่ได้ถึงแม้จะมีปรับปลายบ้างหลายครั้งแต่ก็ไม่ใช่ขนาดที่ว่าจะรู้เลยว่าตรงนี้มีอะไรไปที่ไหนก็เจอไม่ถึงขนาดนั้นเรื่องที่พลอยจะเล่ามันเริ่มขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน2557นเป็นช่วงที่พลอยอยู่ปีหนึ่งตอนปลาย พอยได้เลิกกับแฟนก็เลยไม่อยากอยู่หอคนเดียวพอยเลยย้ายไปอยู่กับเพื่อนอีกหอหนึ่งซึ่งก็ไม่ไกลกันมากเท่าไหร่โดยปกติแล้วพลอยจะเช่าอยู่หอพักคนเดียวแต่ก็ไม่ค่อยอยู่ห้องหรอกส่วนมากก็จะอยู่กับดาวแทบทุกวันดาวก็อยู่หอคนเดียวอยู่แล้วไหนไหนก็ไหนไหนจึงย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อนิวตอนแรก นิวอยู่บ้านแฟนแล้วทะเลาะ ก, กับแฟนก็เลยมาขออยู่ด้วยพวกเราก็เลยคิดว่าจะอยู่กันสามคนแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือห้องเก่าของดาวค่อนข้างเล็กก็เลยตกลงกันว่าจะย้ายขึ้นไปอยู่อีกห้องหนึ่งเป็นหอเดียวกันแต่แค่ย้ายห้องห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในหอนั้นมีเตียงนอน6ฟุตอยู่สองเตียงห้องน้ำสองห้อง ห้องอาบน้ำแยกอีกหนึ่งห้องตู้เสื้อผ้าสองตู้ใหญ่และแน่นอนว่าค่าเช่านั้นจะแพงที่สุดในหอห้องนี้อยู่ที่ชั้นห้าทั้งชั้นมีเพียงสามห้องเท่านั้นมีระเบียงด้วยพวกเราอยู่ห้องตรงกลางห้องทั้งสองข้างไม่มีคนอยู่วันต่อมาหลังจากเลิกเรียนก็ตกลงว่าจะไปดูห้องกัน เลยไปขอกุญแจจากผู้ดูแลหอห้องนี้ประตูจะอยู่ตรงกับบันไดทางขึ้นพอดีเป๊ะพลอยรู้สึกว่ามันแปลกๆนะแต่ดาวก็ไม่พูดอะไรไม่คิดอะไรพลอยกับดาวก็เดินไปเปิดประตูเข้าไปเป็นห้องโลงๆกว้างมากอยู่สองคนยังรู้สึกเหงาและที่สําคัญเป็นห้องที่เงียบมากเงียบมากเากเินไป ต่างจากชั้นสี่ที่เดินขึ้นมาราวกับอยู่คนละโลกเลยแต่พลอยไม่ได้เอกใจอะไรพลอยกับชอบห้องนั้นมากเอาห้องนี้แหละชอบน่าอยู่มากส่วนดาวก็ไม่พูดอะไรแต่สีหน้าของดาวค่อนข้างกังวลเหมือนคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาพลอยก็ถามไปว่าเป็นอะไรรึเปล่าดาวก็ตอบส่งๆไปว่าไม่มีอะไรหรอก ลงไปข้างล่างกันเถอะแล้วเราสองคนก็เดินลงมาและเอากุญแจไปคืนป้าผู้ดูแลหอป้าเขาก็ถามว่าชอบไหมตกลงเอาห้องนี้เลยไหมพวกเราก็ขอไปคิดดูก่อนส่วนตัวพลอยแล้วชอบห้องนั้นมากแต่พลอยรู้สึกว่าดาวเหมือนมีอะไรสักอย่างก็เลยกละว่าจะมาคุยกันก่อนเย็นวันนั้น ทอยก็มาคุยกับดาวว่าเป็นยังไงชอบห้องไหมหรือยังไงเห็นดูเครียดเครียดดาวมันก็ตอบว่ามันชอบนะแค่รู้สึกปแปลกๆบอกไม่ถูกเหมือนมีคนไม่อยากให้เราอยู่ห้องนั้นแต่ก็ช่างเถอะสรุปแล้วพวกเราสองคนเลยตกลงเอาห้องนั้นวันถัดมาก็เลยไปทาสัญญาขอย้ายห้อง วันที่สิบห้าพฤศจิกายนเป็นวันที่พวกเราย้ายเข้าห้องนั้นก็ขนของเข้าห้องตามปกติพลอยมีหน้าที่จัดห้องส่วนดาวก็ย้ายของจากห้องเก่าที่ชั้นสามขึ้นมาดาวขนของมาวางเรื่อยๆพลอยก็จัดห้องไปเรื่อยๆแต่ที่แปลกก็คือทุกครั้งที่ดาวขนของ ข, องขึ้นมาแล้วลงไปขนใหม่โดยที่ไม่ได้ปิดประตูห้องแต่ประตูห้อง มันก็มักจะปิดเองทุกครั้งปิดเบาๆค่อยๆปิดแบบเงียบๆพรอยก็ไม่คิดอะไรเพราะคิดว่าคงแค่ลมพัดแต่มันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนขนของเสร็จแล้วดาวก็โทรไปบอกนิวว่าจะขนของมาเลยก็ได้นะแต่นิวกลับบอกว่าดีกันกับแฟนแล้วไม่ได้มาอยู่ด้วยสรุปแล้วพรอยกับดาว ก็เลยต้องอยู่ห้องนี้กันสองคนเย็นวันนั้นพลอยกับดาวก็ตกลงกันว่าจะฉลองที่ย้ายห้องกันก็ซื้อขนมของกินเหล้ายาปลาปิ้งฉลองกันที่ระเบียงสองคนตามราษาสาวโสนวันนั้นอากาศค่อนข้างดีด้วยเพราะเป็นต้นฤดูหนาวอากาศเย็นสบายหน้านอนก็เลยตกลงกันว่าจะลากฟูกอกอกมาปูนอน กันตรงที่ระเบียงนี่แหละชิลดีลมโชยสบายๆพวกเราสองคนนั่งกินไปเรื่อยเวลาก็ผ่านไปจนดึกประมาณตีสองตีสามก็มานั่งคุยกันเรื่องที่เจอมาตอนกลางวันพลอยก็ถามเป็นไงห้องใหม่ชอบไหมดาวก็บอกว่าชอบนะกูว่ามันชิลดีไม่วุ่นวายดี พอยเลยเล่าเหตุการณ์ที่เจอเมื่อตอนกลางวันให้ฟังว่าเออห้องนี้ยประตูมันปิดเองได้วะเจ๋งป่ะเท่านั้นแหละศีน้าดาวมันก็เริ่มเปลี่ยนจากที่เฮฮากลายเป็นนิ่งๆแล้วก็พูดกับพลอยว่าเออตอนกูไปจัดของในห้องน้ำเพราะกูหันหลังเดินออกมาอยู่ๆสเปรดกลิก่นก็ตกเฉลยวะ่ะตกไม่ใช่เบาๆด้วยกระเด็นไปอีกฝั่งของห้องน้าเลย เฮ้ยจริงเหรอวะลมพัดเปล่าดาวก็ตอบแบบประชดว่าลมบ้านเธอพัดในห้องน้ำเหรอประตูห้องน้ำก็ปิดเท่านั้นแหละพวกเราสองคนก็เริ่มคิดกันแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นที่ห้องนี้ในขณะที่เราสองคนกำลังนั่งคิดกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกันอยู่เงียบๆ พอยกับดาวสะดุ้งหันมามองหน้ากันเสียงมันไม่ใช่เสียงเคาะประตูแต่มันคือเสียงเคาะประตูตู้เสื้อผ้าเคาะแบบเน้นๆ เ, เหมือนกับว่าอยากจะให้พลอยกับดาวได้ยินชัดๆพลอยกับดาวก็เลยคิดว่าเลิกดื่นอนกันดีกว่าตีสี่แล้วจะเช้าแล้วก็เลยจัดที่นอนว่าจะนอนกันตรงระเบียงนั่นแหละพรอยกับดาวก็นอนกัน แต่พลอยเป็นคนติดโซเชียลก็ขอให้ได้เล่นก่อนนอนนิดหนึ่งก็ยังดีพลอยก็เล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆสักพักไม่ถึงส0บนาทีที่เอนตัวลงนอนเสียงกระทืบเท้าหนักๆลงบนเตียงที่ไม่มีฟูกเสียงดังมากดังจนพลอยสะดุ้งโทรศัพท์หลุดออกจากมือขน ล, ลุกตั้งแต่ปลายเท้ายันหัวพลอยก็หันไปมองดาวกะจะหาแนวร่วมไม่อยากกลัวคนเดียว ต่ดาวกลับหลับไปแล้วหลับไวมากพลอยก็เลยตัดสินใจว่าไม่เล่นมันแล้วล่ะโซเชียลนอนเลยละกันแล้วพลอยก็หลับไปหลังจากนั้นพวกเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆสักเท่าไหร่นอกจากเสียงของนอกฮูกที่พลอยเลี้ยงเอาไว้จะร้องเหมือนโดนแย่โดนแกลง้งแล้วก็เล่นเหมือนมีคนเล่นด้วยตลอดแทบทุกคืน ส่วนเสียงเคาะประตูตู้เสื้อผ้าเนี่ยได้ยินทุกวันเป็นช่วงเวลาเดียวกันด้วยประมาณห้าทุมมันได้ยินจนชินไปแล้วอีกอย่างพลอยกับดาวก็ไม่ค่ยได้อยู่ห้องตอนเช้าไปเรียนเลิกเรียนก็กลับมาอาบน้ํานอนตื่นนอนก็อาบน้ําแต่งหน้าแต่งตัวออกไปนั่งชิลที่ร้านเหล้าร้านประจํากว่าจะกลับห้องก็ตีสองตีสาม เมาได้ที่ก็หลับสนิทพอเข้าช่วงสอบปลายภาคก็อ่านหนังสือกันเหมือนคนบ้าพลังไม่สนใจสิ่งรอบข้างเพราะกลับถึงห้องหัวถึงหมอนก็หลับสนิทแล้วจนสอบเสร็จประมาณวันที่24ทธันวาคมพรอยกับดาวก็กลับบ้านเพื่อจะองเทศกาลปีใหม่กันจะกลับไมค์กีก็หลังปีใหม่หลังปีใหม่ หอยกับดาวก็กลับมาหอยอีกครั้งคราวนี้ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ดาวเริ่มมีท่าทางแปลกๆจากที่เป็นคนพูดมากเฮฮาก็กลายเป็นคนเงียบขลึมนิ่งๆเคี้ยวชนกันตลอดเวลาเหมือนมีเรื่องอะไรให้คิดหรือเจออะไรแย่ๆมาหอยเคยเอ่ยถามดาวว่าเป็นอะไรแต่ดาวก็ไม่บอกได้แต่เงียบ แล้วบอกช่างมันเถอะเป็นอย่างนี้อยู่สองสามวันจนกลางดึกคืนที่สามพลอยก็นอนเล่นโทรศัพท์บนเตียงข้างๆดาวอยู่ดีๆ ด, ดาวก็พูดขึ้นมาว่าคืนนี้ไม่นอนนั่งเป็นเพื่อนกูนะเนาะเนาะไม่นอนเนาะนั่งเล่นกันจนเช้าเลยเนาะพลอยก็เลยถามอะไรวะมีอะไรก็เล่ามาไม่มีอะไรเออนะ่า แต่ดาวก็ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรพลอยเริ่มโมโหก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายก็ตกลงกันว่าใครหลับก่อนชนะแล้วพลอยก็นอนหลับไปพลอยสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีกลางดึกพลอยก็เลยหันไปมองเตียงข้างๆว่าดาวนอนหรือ ย, อยังวินาทีนั้นพลอยก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหัวฟูเสื้อผ้ามอมแมมเธอคนนั้น กำลังนั่งยองๆอยู่บนเก้าอี้ปลายเตียงกอดเข่าจ้องหน้ามาที่ดาวตาไม่กระ พ, พริบพลอยเห็นผู้หญิงคนนั้นเพียงสองสามวินาทีวินาทีนั้นความรู้สึกเก่าๆตอนย้ายเข้าห้องมาใหม่ๆก็วนกลับมาอีกครั้งพลอยขนลุกตั้งแต่ปลายเทา้าย้อนขึ้นมาจนถึงหัวพลอยรีบหันกลับมาแล้วหลับตาพยายามหลับให้สนิท พอยเข้าใจดาวแล้วว่าทำไมมันไม่ยอมเล่าทำไมมันแปลกไปทำไมมันไม่อยากให้พลอยนอนตอนนี้เข้าใจทุกอย่างรู้คำตอบแล้วพลอยพยายามจะหลับให้ได้จนเพิ่หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เช้ามาพลอยก็ถามดาวว่ามีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมมีอะไรที่ดาวไม่ได้บอกพลอยไหม ดาวก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่มีอะไรได้มึงไม่มีแต่กูมีพลอยเลยเล่าเรื่องที่พลอยเจอผู้หญิงคนนั้นให้ดาวฟังดาวเงียบไปสักพักแล้วก็หันมาหาพลอยเล่าทุกอย่างให้พลอยฟังมันเริ่มตั้งแต่สองสามวันที่แล้ววันนั้นดาวเข้าห้องน้าทําธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอ เ, เปิดประตูห้องน้ำออกมาก็เห็นผู้หญิงนั่งกอดเข่าอยู่ที่หน้าห้องน้ำเห็นแค่แว บ, บเดียวแล้วเธอก็หายไปหลังจากนั้นดาวก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาเดินตามไปทุกที่ไม่เคยอยู่ห่างดาวเลยรู้สึกว่ามีคนมองอยู่ตลอดเวลาจนเมื่อคืนดาวทนไม่ไหวกลัวจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วและดาวก็ไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วด้วย ขนาดตอนนี้ที่พลอยคุยกับดาวอยู่ดาวก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าเขานั่งอยู่ข้างหลังเท่านั้นแหละทุกอย่างมันก็กระจ่างเลยชัดเจนจำแจ้งพวกเราสองคนเริ่มเครียดเลยตกลงกันว่าจะบอกพ่อกับแม่ของพวกเราปรึกษากันว่าเจ้ายัางไงดีจะย้ายห้องไหมหรือทำอยังไงต่อดี แม่ของดาวเลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคนทรงที่รู้จักกันคนทรงท่านนั้นก็เอาวันเดือนปีเกิดของพลอยกับดาวแล้วก็เลขที่ห้องไปดูท่านก็บอกว่าใช่ห้องนี้มีผู้หญิงเป็นเจ้าที่เป็นคนที่อยู่มาก่อนก่อนที่ตึกนี้จะสร้างแรงมากอยู่ไม่ได้เลยอยู่แล้วจะร้อนถึงอยู่ได้ก็อยู่ได้มีนานต้องย้ายออก เขาห่วงห้องมาเป็นที่ของเขาแม่ดาวก็ถามวิธีแก้มาให้เนื่องจากพวกเรายังย้ายออกหอไม่ได้เพราะยังอยู่ไม่ครบปีถ้าย้ายออกเราจะเสียค่าประกันไปเลยแล้วท่านก็บอกว่าให้ไหว้ผลไม้ห้าชนิดแป้งน้ำมองเลยกจุดธูปคนละดอกเขียนชื่อของพลอยกับดาวใส่กระดาษเอาไปวางใต้พระพุทธรูปในห้อง ให้ทำก่อนเที่ยงแล้วทำบุญตักบาตรทุกเชา้าอุทิศส่วนบุญส่วนบุลให้เขาอย่างน้อยก็ทุกวันพักก่อนนอนก็ให้นั่งสมาธิสิบนาทีสวดอิติปิโสเท่าอายุแล้วค่อยนอนทำเป็นประจำทุกอย่างอาจจะดีขึ้นพลอยกับดาวก็ทำตามที่คนทรงบอกขับรถไปซื้อผลไม้เตรียมทุกอย่างให้พร้อม เช้าวันถัดมาพลอยกับดาวก็ตื่นกันตั้งแต่เช้าเริ่มตั้งแต่ไปตักบาตร ท, ทาบุญไหว้ทุกอย่างเสร็จสับวันนั้นพลอยได้กินแป้งหอมมองเลยยากกันทั้งวันทั้งทั้งที่ไม่ได้เปิดฝาขวดเมื่อทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วพวกเราสองคนก็ยังไม่กล้า น, นอนในห้องนั้นตอนกลางคืนอยู่ดีตรงข้ามหอพลอยจะมีร้านกาแฟจะมีพี่เจ้าของร้านและเพื่อน มานั่งเล่นกีตาร์กันแทบทุกคืนนั่งกันจนเกือบเช้าอยู่แล้วด้วยความกลัวพวกเราก็เลยขอไปนั่งเล่นด้วยไม่กล้าขึ้นห้องตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วพี่พี่เขาก็ถามน้องอยู่ตึกตรงข้ามที่ชั้นห้าใช่ไหมมองจากร้านนี้ขึ้นไปก็เห็นระเบียงห้องพลอยพี่เห็นพลอยอยู่บ่อยๆชอบมานั่งที่ระเบียงกับเพื่อนอีกคนดาวก็ถาม หนูเหรอพี่เขาก็บอกว่าเปาอีกคนนะ่ะผมยาวๆชอบมานั่งระเบียงกับน้องพลอยแล้วนี้เขาไปไหนล่ะไม่ลงมานั่งด้วยกันพลอยกับดาวก็หันหน้ามองกันจริงๆแล้วพลอยนะ่ะชอบไปนั่งเล่นระเบียงส่วนดาวจะไม่ชอบดาวกลัวความสูงดาวเลยตอบว่าพี่พวกหนูอยู่ห้องนั้นกันสองคน พี่เขาก็เถียงบ้าเมื่อวานวิยังเห็นน้องเขาอยู่เลยยังนั่งอยู่ระเบียงกับพลอยอยู่เลยพอยเลยบอกว่าพี่หนูมีอะไรจะเล่าให้ฟังแล้วพลอยก็เล่าทุกอย่างให้พวกพี่เขาฟังรุ่นพี่ในกลุ่มนั้นคนหนึ่งก็เลยบอกให้พลอยว่าเพื่อนพี่ก็เคยอยู่ห้องนั้นนะอยู่เดือนเดียวแล้วก็ย้ายออกเลยตอนแรกพี่ก็งงแต่ตอนนี้พี่เข้าใจแล้ว แล้วพวกเราก็เปลี่ยนเรื่องคุยกันไปจนใกล้เช้าก็แยกย้ายกันหลังจากนั้นพวกเราก็ทำตามที่คนทรงบอกทำอย่างเคร่งครัดแล้วก็ไม่เคยโดนหลอกอีกเลยอย่างที่เขาว่ากันถ้าเจออะไรแบบนี้อย่าไปไล่เขาอย่าไปทำร้ายเขาให้ทำบุญให้แล้วดีกับเขาจึงจะอยู่กันอย่างเป็นสุขทุกวันนี้ พอยย้ายออกจากห้องนั้นแล้วเพราะครบกําหนดหนึ่งปีซึ่งห้องเก่าที่ชั้นสเดาวอยู่ได้หเดือนรวมกับชั้น 5%, ที่ย้ายมาอยู่กับพลอยอีกหเดือนจึงได้เงินประกันคืนนี่เป็นเรื่องที่พลอยเจอมาแล้วเรื่องทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็เป็นประสบการณ์ของพลอยที่เจอมาจริงๆและพลอยขอไม่ระบุสถานที่เกิดเหตุของที่นี่ 自由。